ตามประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพวกเราท่านทั้งหลายาได้ปร ะ, ประมาทพลาดพังหลวงพ่อด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหลวงพ่อยินดีอโหสิกรรมให้กับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะอย่าปร ะ, ประมาทบ่อยไม่ได้นะเพราะว่ า, าทํำสิ่งใดก็ตามต้องสับรวมกายวาจาใจของตนเอง การประมาทบ่อยเหมือนกับเรามีแผลมีดฟันข้างหนึ่งแล้วก็มันก็เป็นแผลในหัวใจของเร า, เอาพอหายแผลแล้วก็ฟันอีกก็เป็นแผลตะปูตะปาดดูน้ำไม่ดานดูทั้งนั้นแหละเพราได้ให้จำรวมระวังให้พวกเราให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็กา ย, ยกรรมวจีกรรมมโนกรรม ที่ได้ผ่านมาแล้วหลวงพ่อยินดีอวโหวสิกรรให้กับพวกเราทุกๆุกท่านแล้วก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงเจริญรึกยิ่งด้วยอายุวันะสุขะภาละดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอาหัางขามามิตุมให้หิปิเมมามิตับบังเอวังหตุเอวังหตุโยจะปุเบปมัชิตวาปัชโซนปะปมัสติ โซมังโลกังปะพาเซติอภามตโตวจันติมาอภิวาทนาศีลิสินตยังวุฒาปจายโนจัตตาโรโอธรร ม, มาวัทานติอายุวันโนสุขังภาลังออพระใหม่ที่ยังไม่ได้พันษานะพระที่มาบวชที่บวชใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พันษานยะ มีกี่องเลยอยู่ในอยู่ในด้วยกันเนี่ยว่าสิบหกอง่ะแต่เมื่อวานพวกเราก็ได้ฝึกซ้อมไปแล้วนะเรื่องอธิษฐานพรรษาแต่วันนี้ก็เมื่อพร้อมแล้วก็หลวงพ่อจะเป็นผู้พานำพวกเรานั่งคุกเข่าปนมมือพร้อมกัน อันหน้าไปทางพระประธานนั่นแหะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะอยู่อธิษฐานพรรษาอยู่จะอยู่ที่นี่สามเดือนทีแหลกว็วานนโมนอบน้อมข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวานวานโมสามจบจากนั้นก็ ว่าอธิษฐานพรรษาพร้อมกันอิมัตจำเองอาวาเซอิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมะนะแต่ชีเมอธิฐานที่หลังก็ได้นะเมื่อพระสงฆ์อธิษฐานซะก่อนเรายัางค่อยอธิษฐานในเมื่ออธิษฐานพรรษาจบเรียบร้อยแล้วนะหลวงพ่อจะให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ว, วินวันวิัน เรื่องจำพรรษาให้กับพระลูกพระหลานพระบวชใหม่ได้ระพูรบทสาเพราอจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยตอนนี้ก็นั่งคุกเข่าปนมมือหันหน้าไปทางพระประธานว่านโมพร้อมกันนะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบุทธัสสะ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 อิมัสมิงอาวาเซอิมั t เตม s สังวัดสังอุเปมอิมัสมิงอาวาเซอิมันเตมาสังวั a สังอุเปตั้งจิตอธิษฐานในใจอีกนะว่าข้าพเจ้าจะตั้งจิตตั้งใจจะอยู่จำพรรษาให้ตลอดรอดฟังสามเดือน จะปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมจะอยู่ในพระธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะอยู่ในกฎระเบียบธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบกรกฎาคมพุทธศักราช25งพห้าวันนี้เป็นวันอธิษฐานพรรษาขณะนี้พวกเราอธิษฐานพรรษาจบลง เป็นเวลา17นาิกา25นาทีเราพวกเราที่ฐานพรรษาในวันนี้เมื่อเราเข้าพรรษาในฐานพรรษาแล้วแกจะอยู่ในอาวาต น, นี้สามเดือนแล้วก็หลวงพ่อบอกกับทุกองค์ว่าห้ามย้ายกุฏิในพรรษาใครอยู่องค์ไหนใครอยู่หลังนั่นลหละ ถ้าย้ายแล้วก็มันจะยุ่งเหยิงวุ่นวายองค์นี้ย้ายไปนั้นองค์นั้นย้ายไปนี่นก็เลยสับสนวุ่นวายไม่เป็นนั่งภาวนาอยู่ที่ไหนก็อย่างเก่านะมันเพราะตัวเองเป็นคนภาวนาไม่ใช่สถานที่สถานที่มันสับปายะอยู่แล้วมีแต่ตัวของเรานะี่ยนะไม่สับปายะจิตใจปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกมันก็เลยทําให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะนั้นอย่าได้มี ต้องอยู่องค์ไหนให้อยู่ประจําที่ตั้งอกตั้งใจภาวนาในพรรษาในพวกเรามาภาวนานะพระลูกพหลานนะเราไม่ได้มีหน้าที่การงานอย่างอื่นแต่อย่างอื่นก็ก็มีอยู่บ้างเหมือนกับเราไม่ใช่คนตายพระตายมันก็ต้องมีการดูแลวัดวาศาสานารวงรังของพวกเราเพราะพวกเรามีวัดวาศาสานา จะต้องช่วยการดูแลสิ่งที่มันขาดตกบกพร่องดูดูแล้วก็ให้สมบูรณ์ขึ้นแต่เราก็ไม่ได้เน้นเรื่องการก่อสร้างอะไรมากมายในพรรษาหลวงพ่อจะเน้นเรื่องจิตภาวนามากกว่าแต่ว่าองค์ใดยอยากจะท่องหนังสือพระปฏิโมก์ก็ท่องได้แต่วา่าอย่าท่องเสียงดังไม่ให้รบ ก, กวนคนอื่น ถึงจะฟังวิทยุก็เหมือนกันฟังวิทยุธรรมเทศนาของหลวงตาที่อยู่ในวัดห้ามเปิดเสียงดังมันรบกวนคนอื่นเขาในเมื่อด้ยินเสียงคนอื่นเปิดวิทยุนะ่ะคนอื่นมันนั่งภาวนามัมนจิตใจมันไม่สงบนะมันได้ยินเสียงเพราะนั้นอย่าได้เปิดเสียงให้รบกวนคนอื่นเปิดค่อยๆพอตัวเองได้ยินเท่านั้นแหละอพอได้ยินเข้าใจ ในพระธรรมประเทศานาของท่านและก็พอแล้วนะไม่ใช่ว่าเปิดเสียงดังลั่นทำใหู้ลาคาญกับตนเองจะท่องหนังสือสาทยายสวดมนต์อะไรก็ตามห้ามสวดเสียงดังในกติของตนเองสวดเสียงพอประมาณให้ได้ยินแต่ตัวเองและก็พอแหละหรือจะนึกในใจก็ยังได้แต่ถ้านึกในใจมันจะสับสนมันจะหลง ลืมก็ควรจะบสาธยายให้มีเสียงขึ้นมานิดหน่อยแต่จะให้เสียงดังนี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันเพราะฉนั้นก่อให้พระเราทุกองค์นะตังอกตั้งใจภาวนาทั้งองค์ตั้งใจปฏิบัติแต่เรื่องถ้าว่ามีความจําเกินเจ็ดเป็นเจ็ดเก็บใครได้ป่วยกลางค่ําคืนหลวงพ่อยังไม่ได้พูดได้กล่าวแต่ว่าพวกเราปวดท้องอะไรก็ตาม เมียสรพิษกัดต่อยอะไรก็ตามให้พวกเราเตรียมก้อนหินและเตรียมค้อนไม้เอาไว้นะ เ, เตรียมก้อนหินเอาไว้ถ้าหากว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ใช้ก้อนหินเคาะกระดานเคาะฝาของเราเปั้งปังปั้งปั้งปั้งปังปั้ ง, ง, งแต่องค์ที่อยู่ใกล้ก็พอได้ยินเสียงให้สัญญาณแบบนั้น แสดงว่าองค์ที่อยู่ขอความช่วยเหลือแต่เราก็รีบไปเลยปรีบไปถ้าอยู่ไกลๆองค์ไหนอยู่ไกลก็รีบไปพอไปเออองค์นี้เจ็บไข้ได้ป่วยออแล้ก็องค์หนึ่งก็เป็นองค์เฝ้าองค์ที่สองก็วิ่งมาพระหาพระสาลาพระสาลาก็ต้องวิ่งหาหมู่พกเพื่อนบอกคุณหลวงพ่อนั่นแหละว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหัน เราก็จะได้หารีบรถดเอาอไปส่งโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่ากลางค่มกลางคืนห้ามเคาะไม้ใครอยู่ที่ใดก็ตามห้ามตีตะปูห้ามเคาะไม้เด็ดขาดเพราะหะไรอันนี้คือมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์หรือเป็นเอกลักษณ์ความขอความช่วยเหลือทานในเวลาวิกาลกลางคืนนะ เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเข้าใจเอาไว้นะเมาไม่ต้องห่วง เ, เวลามีอะไรกับเคาะไม้พระที่อยู่ใกล้ก็วิ่งเข้าไปดูเข้าไปช่วยไปช่วยกันว่ามีอะไรเจ็บใครได้ป่วยอะไรองค์นั้นก็ บ, บอกแล้วกันนะรีบจัดการเนี่ยนี่แหละแต่เราต้องเตรียมไม้เตรียมค้อนก้อนหินเอาไว้อหรือเตรียมไม้ ไว้จะซอกหนึ่งก็ได้เคืบหนึ่งก็ได้ข้อฝาอันนี้ก็คือยามฉุกเฉินเวลาเรียกหาหมูพกเพื่อนกลางคืนแต่ที่ยังไงก็เวลาจุดทูบเทียนเวลาเดินยองโกลมให้จุดมีจุดทูบเทียนกัจุดทูบเทียนกัมีแต่ตะขาบเท่านั้นแหละที่มันเดินมาเพลินผ่านมันไม่กลัวไฟ แต่นอกนั้นงูนงไม่กล้าเข้ามาหรอกเพราะนั้นพวกเราไม่ต้องกลัวลงเดินยองกรมกลางกลางคืนได้จุดไฟสักสองเล่มสามเล่มตรงกลางเล่มหนึ่งหัวท้ายเล่มหนึ่งจากนั้นก็เดินยองกรมได้เลยละไม่ต้องนั่นะเดินยองกลมแต่ว่าใครในพรรษาที่จะถือเนชชี้ทุกวันพระแปดค่ำสบห้าค่หรือจะมากกว่านั้นกระสุดแท้แต่ แต่ท้งยังไงก็ควรจะมีนะแล้วว่าการอดอาหารก็เหมือนกันการอดอาหารไม่ใช่ว่าอดอาหารแล้วให้คนอื่นเอาขนมนมไปให้อย่าทานะถ้าหิวให้มาฉัน อ, อย่าไปทำอย่างงั้นมาเสียกฎระเบียบเสียประเพณีเปันเสียประวัติของวัด เ, เดี๋ ว, ว่าพระอดอาหารในวัดป่านาคาน้อยเห็นโ่หมูเอาอาหารก็ต้มขนมไปให้กินเหลือเฟือ มันเป็นประวัติที่ไม่ดีน่าอับอายไปถึงไหนต่อไหนไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าอดก็คืออดจริงถ้าไม่อดก็อย่าไปอดถ้ามันหิวอดทำไมก็มีอาหารอยู่แล้วเดี๋ยวขี้เกียจใช่ไหมขี้เกียจแต่อยากอย่างนั้นใช่ไหมเออมันก็ไม่น่าจะถูกเยกเหมือนกันเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นพูดกันไว้เฉยๆหรอกแต่ก่อนหน้านี้ อไม่เคยมีหรอกแต่ว่ากันเอาไว้นะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านแต่เรื่องสัตตาการณิยะในพระวินัยก็เวลาเจ็บใครได้ป่วยก็ให้มีคนนิมนต์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้พวกพระเก่านะรู้จักวิธีหลวงพ่อบอกให้ฟังแล้วนะเป็นอุบายเป็นแนวทางให้ฟังแล้วนะพวกเราก็เดินตามนั้นแหละถ้ามีความจำเป็น ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปแล้วนพรรษาอดไว้ก่อนเว้นเสียจะมีความจําเป็นจะล้มจะตายจริงเออไม่ว่ากันแต่ขนาดใดขนาดหมอแนทหมอนัดหมอแนทธรรมดากัเนเลตะลีตะเลือเข้าไปก็ไม่น่าจะเป็นนายจะงดง ด, งดไว้ก่อนก็ได้ออกพรรษาจะก่อนเว้นเสียแต่มันจําเป็นค่อยไปถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ไม่ควรจะไปในพรรษานะแล้วก็พร้อมกัน อย่างอื่นแล้วก็คงไม่คงไม่มีอะไรในเรื่องสัตธรหกรณิยะเรื่องกิจนิมนต์ก็เราก็รับตามที่ในพระวินัยมีอยู่แล้วนะแต่ว่าแต่ละให้ละวัดนะมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือตรงที่ยังไม่ได้อารุณนะอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดประตูนะพระเก่าต้องใส่ใจเอาไว้นะต้องบอกกันไว้ อย่าเพิ่งเปิดประตูทำมยังไม่ได้แสงยังไม่ได้อรุณถ้ามันแสงถ้าไม่ได้อรุณเราออกไปนอกวัดไปปัดกวาดทำความสะอาดทั้งนอกวัดทำให้พันษาขาดได้อีกเหมือนกันนะเพราะมันยังไม่สว่าง เ, เราไปออกสว่างข้างนอกเพราะนั้นตอนกลางวันตอนค่าเราจะไปปัดกวาดกับปัดกวาดซะทำความสะอาดให้เรียบร้อยออตอนเช้าเราไม่ต้อง ไม่ต้องเปิดประตูออกไปหรอกปิดประตูไว้อย่างนั้นละ่ะปัดกวาดอยู่ข้างในในวัดเนี่ยก็พอแล้วละ่นะผงนี้เช้าแตามันมีแล้วก็เช้าพวกในครัวเขาคงจะไปทําความสะอาดเองได้นะแล้วก็ช่วยๆกันนั่นแหละเรื่องปัดกวาดทําความสะอาดทุกอย่างห้องน้อ ง, องน้ําทางป่าแลําไยก็เหมือนกันให้ช่วยๆกันดูนะ ปัดกวาดให้ทั่วถึงนู่นเป็นตะปาแลใหย่ก็ปัดเหมือนกันอ่ะเกือเขาเทาวาันที่มันลุกลามมาในถนนกับ เ, เคีย์เคีย์ออกให้มันอย่าให้มันลุกลามเข้ามาให้ช่วยกันดูสรุปแล้วคือวัดมันไม่ใช่วัดของผู้หนึ่งผู้ใดนะมันเป็นวัดของพวกเราต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกอย่างเลยล่ะ อ, อย่าไปทิ้งให้ว่าวัดยังเป็นวัดหลวงพ่อไม่ได้นะ มันเป็นวัดของพวกเราทุกทุกองเพราะนั้นขอให้พวกเราพระทุกองค์นะอยู่ในสถานที่ใดปัดกวาดทําความสะอาดแต่ทั้งยังไงผมหลวงพ่อก็บอกว่าวันทุกวันเจ็ดค่ำสิบสี่ค่ำให้ปัดกวาดทางหลังวัดทางหลังวัดให้ทั่วถึงทางหลังวัดนะให้ทั่วปัดกวาดให้ทั่วแบ่งสายกันปัดกวาดเพราะว่าทางวัดเราไม่ดูแลไม่รักษา มันก็ลกลุงลางไปหมดแต่ถึงยังไงที่ผมดูดูแล้วก็ตาเวนดูแล้วก็หมู่พกเพื่อนก็รักษาได้ดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าในช่วงที่ฝนไม่ตกเราก็ควรจะปัดกวาดแบ่งกันนะแต่เวินเสียแตาฝนตกก่องดงดไปพอเราก็ปัดกวาดง่ายอยู่แล้วเพราะมันทางก็ไม่แค่ไม่กว้าง ทางแคบแคบเปัดกวาดไปเรื่อยๆแบ่งสายกันนี่แหละคนนั้นองค์หนึ่งดูกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นอให้รักษาสายนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้นองค์นี้รักษาสายนี้ถ้าเราแบ่งสายกันมันก็ไม่ยากหรอกว่าเราไม่รู้จักแบ่งกันมันก็ยากเหมือนกันนะแต่เรื่องห้องน้งําห้องถ่าเรื่องศาลาเหมือนกันให้แบ่งเวรกันเพราะว่าถ้าหากว่าเราแบ่งกันแล้วมันจะเบามันจะไม่หนัก องค์ที่รับผิดชอบตรงไหนก็ให้รับผิดชอบตรงนั้นอย่างฉันเสร็จแล้วเนี่ยจะใครเป็นคนดูแลให้องค์ไหนบ้างช่วยดูแลกับพระเวนชล า, าสักสองหรอสมองค์รวมเป็นสองค์เมื่อพระฉันเรียบร้อยแล้วให้สี่องค์เนี่ยดูแลแล้วกัพระที่เป็นหัวหน้าเวนก็ช่วยช่วยกันดูใครเป็นเวนชล า, าแล้วก็จดชื่อเอาไว้ใครบ้างเป็น ผู้ดูแลถ้าว่าขาดตกบกพร่องก็เรียกถ้าเรียกมาช่วยงานโมโหโกธาแสดงอกับกิริยาไม่พอใจนะบอกมานะบอกให้ใหบอกหลวงพอ่อเอ้ยกูบาองเนนะ่ตั้งเวรกันขึ้นมาแล้วแต่เวลาเราจะเรียกมาช่วยงานที่ซาลาแสดงอกกับกิริยาไม่พอใจนะัหลวงพอนะ่อ ลุงพ่อเออพระองค์นี่นะต่อไปในท่านไม่ต้องมาฉันที่สลาก็ได้ให้ท่านไปฉันอยู่ในป่านะเพราะสลาน่ท่านมาฉันท่านก็ทำความเจ็บปุกโศกปลกลกลุงหลังองค์หนึ่งแต่เมื่อฉันแล้วทำไมท่านจึงไม่มาช่วยหมู่เวรของท่านเจ็ดวันเท่านั้นเองท่านรักษาเพียงแค่นี้ไม่ได้เหรอท่านจะมีทิฏฐิมาะอะไรท่านมาเพื่ออะไร ท่านมาเพื่อการศึกษาไม่ใช่เหรอหรือท่านมาจะมาเป็นอาจารย์ของผมอ่จะมาเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่เหรออาจารย์ไโยเมพันเตโห้โหเราต้องช่วยกันนะเนี่ยทำเพียงแค่นี้ไม่ได้เหรอเนี่ยหลวงพ่อก็จะสอนอย่างนั้นนะหลวงพ่อจะไม่เอ่อแบบอ่อนๆนะเรื่องกิ จ, จวัตรข้อวัดเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราพวกเราเนี่ยเป็นหน้าที่ต้องรับผิดชอบ หลวงพ่อเป็นผู้เป็นอาจารย์เป็นเป็นพ่อพร้อมที่จะสั่งลูกให้ทําได้แต่หน้าที่ของลูกขาดเหลือขาดตกอะไรพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้ดูแล อ, อาหารการบริโภคอะไรผ่านนุ่งหม่มเป็นยังไงยาแก้โรคภยัยไข้เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงพ่อต้องดูแลหลวงพ่อจึงต้องดูทุกองค์เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพราะนั้นในอยู่ขณะที่อยู่ ด้วยการร่มเปริ่เย็นเป็นถูกไม่มีอะไรพวกรันพวกท่านทั้งหลายก็ต้องช่วยต้องช่วยหลวงพ่อนะช่วยวัดวาศาสานาพวกนั้นไม่ต้องเกรงใจถ้าเราแต่งตั้งกันขึ้นมาแล้วให้บอกกันได้เลยบอกกันในฐานะพี่พี่น้องๆเราไม่ได้บอกแบบนักหลวงนักเลงบอกกันขอร้องกันบอกกันแต่ผู้ที่ได้รับเวรก็ต้องมาทํา มันไม่เห็นจะหนักหนาที่ตรงไหนถ้าว่าพวกเรามีความตั้งใจใฝ่ในการประกอบคุณงามความดีอยู่แล้ว เ, เว้นเสียแต่เรามาที่นี่มาเพื่ออะไรให้ถามเจตนาพวกเราทุกองอาถาาว่าเจตนาของเรามาเพื่อเล่นๆอย่างนั้นแหละาามามามาพักผ่อนมาไม่ได้ตั้งใจภาวนาหรอกมาอยู่อย่างนั้นแหละ ถ้าเป็นอย่างงั้นก็บอกมามาอยู่ทําไมถ้าอยู่ลักษณะอย่างนั้นมันอยู่ให้หนักวัดอท่ามูไพเรือตัวเองเอาขาลาน้ำํำมันหนักมันฝืดทําให้เหลืออืดนะ อ, อยู่ทําไมมันอดที่อยู่ขนาดนั้นเชียวหรอข้างนอกไม่มีที่จะอยู่จะกินใช่ไหมจึงมาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ม า, านั่งหัวหมูอามาอยู่บนหลังหมู กินกำแงกินกำลังกินแรงหมูอย่างนั้นใช่ไหมเสียงเหล่านี้มันต้องมันต้องได้พูดกันนะ เ, เพราะนั้นการอยู่ด้วยกันจว่ามีปรึกษาปารบกันช่วยเหลือกันใครเห็นอะไรที่มันขาดเหลือขาดตกปกพ้องก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือถึงจากงานบักถึงจากงานหนัก ก็เบาเพราะรเพราะมีความพร้อมเพียงสามัคคีในหมู่ในคณะแล้วก็เรื่องทะเลาะวิวาทก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้พูดได้กล่าวหลวงตามหาบวณเอาจริงนะหลวงพ่ออยู่ที่นั่นก่อนเข้าพรรษาทุกปีท่านจะบอกอย่าให้มีน ะ, ะพระทะเลาะวิวาทกันอย่าได้มีในวัดของเรามันอย่าโลนมากพระกรรมฐานทะเลาะกันอย่าโลนมากไม่น่าจะมีเพราะพระกรรมฐาน มาเพื่อภาวนาชำละกิเลสโลภโกรดหลงอยู่แล้วล้วจะมาส่งเสริมความโกรธความโลภความหลงได้ยังไงคนนันให้มามาต้องอ่อนน้อมถ่อมตนถึงจะมีความรู้ความฉลาดขนาดไหนก็เหมือนกับภาาขี้ริ้วหอทองอย่าไปอวดไปอ้างว่าตัวเอง ม, มีบุญหนักสักใหญ่เข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนานี่ ต้องมาอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นไหมพระในครั้งพุทธกาลถึงจะเป็นเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์พ่อเขามาบวชแล้วก็เดินตามหลังพระที่บวชที่บวชเก่าเขาบวชก่อนหนึ่งวันพระมาหากษัตริย์ก็ต้องเดินตามหลังทับปีตบัต์นั่งที่สองลงไปนี่แหละอันนี้ก็คือในหลักของพุทธศาสนาต่อไปเราก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อย แต่ถึงยังไงถึงจะนั่งอยู่ตรงไหนก็เถอะพวกพระเก่าก็ให้ความเคารพเกรงใจอยู่อย่างเก่าเพราะท่านมีอํำนาจวาสนาเป็นผู้ใหญ่เคยผ่านราชการมาแล้วต้องให้ความเคารพถ้าว่าพระองค์ใดก็ตามไม่รู้จักสัมมาคารวะในจุดนี้ก็ไม่ได้ไม่ถูกอิ่เหมือนกันไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ํา ถึงจะท่านจะบวชมามีพรรษาน้อยก็จริงแต่ว่าท่านผ่านทางโลกมาเป็นที่รู้จักคนทั้งหลายรู้จักมักคนเปนที่ให้ความเคารพในท่านในเมื่อเข้ามาบวชถึงจะเราจะแก่พรรษาก็จริงแต่ว่าคุณธรรมหรือว่าคุณพระคุณของท่านที่วั ย, ยวุฒิคุณนวุฒิตัวนั้นแหะคุณนวุฒิตรงนั้น่ะ ออพวกเราก็ให้ความเคารพให้ความเกรงใจออมันจึงจะถูกถ้าว่าพวกเราไม่รู้จักสูงไม่รู้จักตา่าตีปราสาตีเสมอไปหมดออตัวเองว่านี่แนะว่าตัวเองใหญ่จะด่าจะว่าใครว่าตามที่ตัวเองอยากจะว่านั่นละคือกิเลสไปอยู่กับใครก็ทะเลาะกับหมู่พวกเพื่อนไปทั่วทุกหัวละแหง่งถ้าเราเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่รู้จักการวางตัว เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองค์นะการอยู่ด้วยกันต้องรู้จักกา ร, ระเทศะการสถานที่บุคคลบุคคลคนนี้เป็นบุคคลเช่นไรการอย่างนี้เป็นการอะไรเราปฏิบัติวางตัวถูกนั่นแหละการอยู่ด้วยกันมากน้อยพวกเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขภาวนาก็สบายเพราะปุคระสับไยยะ บุคคลเป็นที่สบายแต่ว่าพวกเราอยู่ด้วยกันะทะเลาะกันกินแหนงแคลงใจกันอยู่ไม่ลงรอยกันอพอเห็นกันแล้วกันขวางตาแล้วภาวนาละ่ะมันก็ขวางใจอยู่อย่างนั้นตลอดไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะ น, นั้นทุกองค์ต้องลดทิฐิมานะของตนเองถึงจะมีความรู้ความฉลาดความสามารถขนาดไหน ก็ให้เหมือนกับผ้าขี่เลี้วหอทองเออแต่ตัวเองมีคุณท่าแต่อยู่ข้างนอกเหมือนผาคขี่เลี้ยวทําได้หมดทุกอย่างเอออย่างองค์หลวงตามหาบวชท่านท่านผู้การมาบวชท่านบอกว่าผมเป็นผู้การตํารวจครับตัวหนึ่งผมผมเป็นผู้การทหารครับหลวงตาบอกว่าเอาเนะ ในเมื่อเข้ามาบวชเนี่ยผู้การก็เดียยวพลตรีพลโทเอาไว้ขังนอกก่อนนะอย่าเอามาบวช ด, ด้วยเอามาบวชแต่นายนั้นนามสกุล น, นั่นตอนนั้นละเอาเขามาบวชไม่ใช่ถ้าเอามามันบวชมันขวางกันมันขวางหน้าขวางหลังอยู่ที่นี่มันไม่ใช่พลโทพลเอกในะอยู่ในวัดเพราะนั้นให้พอเขามาบวชแล้วทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ให้อยู่หลในหลักพระธรรมวินยัย เ, เท่านั้นแหละแต่ว่าทุกองค์ก็ตามาถึงจะท่านจะลดทิฏฐิมานะลงพวกเราก็รู้ว่าท่านเป็นใครควรจะให้ความสําคัญให้ความเกรงใจอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าผู้ที่เข้ามาบวชจะถือยศฐ า, านบรรดาศัก์ เ, เข้ามาบวชไม่ได้นะอันนี้หลวงตาเคยพูดสมัยผมอยู่ที่วัดป่าบ้านตาท่านสั่งไว้เลย สรุปแล้วก็คือท่านให้เป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเสมอกันแต่ก็ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้อยู่ในกฎระเบียบให้อยู่ในหลักพระที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอย่างไรในหลักพระธรรมวินยัยท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรให้อยู่ในกฎระเบียบนั้นพึงพาอาศัยกัน ่อันนี้ก็คือการอยู่การเป็นนักพรตนักบวชนะถ้าพวกเราปฏิบัติตนถูกต้องแล้วนะปุกคระสับปายะมูพวกเพื่อนบุคคนเป็นที่สบายอยู่ด้วยกันมากน้อยกอ็ร่มเย็นเป็นสุขนะสุขกายสุขใจเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้มองกันในแง่ร้ายเรามองกันในแง่เหตุผลแต่องค์นี้เป็นอย่างนี้เพราะเหตุไรในช่วงนี้ เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเราจะไปตีเหมาเขาเลยว่าเขาขี้เกียจเขาไม่เอาทานเขาเนี่ยจะไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เราต้องถามไถ่ดูว่าเป็นยังไงท่านไม่สบายเหรอครับผมปวดท้องผมปวดหลังเอผมเป็นยังไงผมไม่สบายเลยครับช่วงเนี้ยมันเหนื่อยเพรียยังไงเราก็ต้องออถามไถยแล้วพยุงกัน อ, อให้รู้เรื่อง นั่นะอันนั้นแหะคือการอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าเห็นองค์หนึ่งทำ เ, เคยทำมาแล้วกับองค์หนึ่งหยุดทำไปเราก็เหมาไปเลยว่าเขาขี่เกียร์ขี่คลานอ่อนแอเอาเปียบมูอันนั้นไปว่ามองกันในแง่ร้ายถ้ามองกันในแง่เหตุผลแล้วก็ต้องถามไทยว่าเป็นยังไงถ้าว่าถามไทยแล้วไม่มีอะไร เ, ะเราจึงจัดโอขี่เกียร์ไม่เอาทาน มาทำให้หมูหนักใจเราออจึงค่อยว่าทาไม่ได้ถามได้ไถ่กันแะก่อนเราไปว่าเขาก่อนอันนั้นท่านว่ามองกันในแง่ร้ายไม่มองกันในแง่เหตุผลเสียงเหล่านี้พวกเราก็อยู่ด้วยกันหลายๆองค์ตั้งอกตั้งใจนะตั้งสี่สิบตัววันมื้อเช้าหน่อยสี่สิบกแต่ต่าง ถิ่นต่างแดนต่างพ่อต่างแม่ต่างวิชาอาชีพแ่ความรู้วิชาสูงต่ำไม่เหมือนกันเพราะฉนั้นถึงยังไงถึงพวกเรามาอยู่ด้วยกันก็มาอยู่เหมือนกับพี่พี่น้องๆรักเมตตากันมีอะไรก็ปรึกษาปรารถกันนี่แหละการอยู่ด้วยกันมีอะไรขาดเรือขาดตกให้มองกันให้มองกัน เรื่องอาหารการบริโภคก็ได้ยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามแต่ก็ให้ดูกันแต่ว่าของใช้ที่ผมรับมาก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นผมก็เป็นแต่ปีเป็นแต่ผู้รับพอรับเสร็จแล้วก็มอบให้หมู่พวกเพลินแต่ผมต้องการอันไหนผมก็หยิบเอาเฉพาะชิ้นนั้นเรื่องนั้นออกมาใช้แต่ว่าจำนวนอื่นก็หมอกไพร่หมู่ออกมาเป็นกองกลาง เอามาใช้ผใครองค์ไหนจะใช้แต่ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะาการใช้ของเนี่ยนะอย่าไปใช้สู่รุ่ยู่ายทั้งทิ้งทิ้ ง, ข ว, งขวางขวางไม่ได้นะผมเห็นไม่ได้พราเหตุไรเพรา ะ, เ ร, เ, ราะเราคิดดูสิสมัยเราเป็นคราวาญละเราเคยทําบุญไหมเราเคย ซ, ซื้อของมาถวายอย่างนี้ไหมถ้าเราไม่เคยแต่เรามาอยู่แล้วทําไมเราจึงลืมตัวใช้แบบไม่บัญญับัญญัติใช้แบบทิ้งทิ้ ง, งขวางขาง มันไม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องของนักพลดนักบวชนะเราจะใช้อะไรต้องดูอันนี้ไม่ใช่ถ้าหลวงพ่ออย่าไปให้หลวงพ่อเห็นทีเดียวพวกท่านทั้งหลายพอ่อได้รับการศึกษามาดีด้วยกันทุกองค์แล้วผ่านโลกมาพอสมควรแล้ว เ, เมื่อเป็นฆราวาสเป็นยังไงก็ได้ผ่านกันมาแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ช่วยๆกันดูเป็นหูเป็นตาแทนกัน แต่ถ้าว่าองค์ไรก็ตามออกนอกลู่นอกทางก็ให้พวกท่านทั้งหลายเตือนกันปรึกษาปารกันพูดกันพอพูดแล้วเขาไปเตือนถ้าเตือนไม่ยอมฟังบอกหลวงพ่อนะพอหลวงพ่อเป็นด่านสุดท้ายแต่ถ้าว่าพวกเราเตือนแล้วไม่ฟังแต่ถึงยังไงต้องฟังนะการอยู่ด้วยการต้องฟังกันนะ หลวงพ่อบอกไว้ย่างไงเลยต้องฟังกันมีอะไรต้องพึ่งพาอาศัยกันเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะพึ่งพาอาศัยใครถ้าไม่อาศัยหมูพวกเพื่อนอยู่ในวัดไม่พึ่งพาอาศัยหมูโภกเพื่อนครูบาอาจารย์เราจะพึ่งพาอาศัยใครนี่แหละเว้นเสียแต่ว่ามันมันไม่โถกอะถ้ามันไม่ถูกกระบอกอีกเหมือนกันอหมูลุ่ม ออบอกกล่าวที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกทางก็บอกบอกหลวงพ่อได้อีกหลวงพ่อเนี่ยพร้อมที่จะฟังหลักเหตุและหลักผลทุกองค์พอหลวงพ่อเนี่ยถือว่าพวกเราท่านทั้งหลายทั้งสี่สิบองเนี่ยเหมือนเป็นลูกของหลวงพ่อทุกองค์หลวงพ่อรับผิดชอบเจ็บใครได้ป่วยยังไงมีอะไรทุกใหญยังไงหลวงพ่อพร้อมที่จะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าว ความรู้ความหลวงพ่อได้ศึกษามายังไงจากครูบาอาจารย์จะพยายามถ่ายเท ถ, ยถ่ายทอดให้กับพวกเรา ท, ทุกทุกท่านไม่มีกรรมมืออยู่ในอาจารย์ใครๆว่าใหท้ทั้งหมดเพื่อจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นพระที่ดีถ้าวายูไม่ได้เป็นพระกับเป็นครว่าที่ดีมีคุณธรมธรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนี่แหละหลวงพ่อต้องการเท่านั้นหละ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะมาอยู่ด้วยมาอยู่กับหลวงพ่อให้ดูเจตนาเจตนาของหลวงพอ่อเจตนาของหลวงพ่อมเป็นเจตนาดีนะพาลูกพาหลานทั้งหลายนะอยากจะให้ลูกหลานเป็นพระดีคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแต่เป็นพระคืเป็นพระอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเป็นสาสกยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอยู่ในโอวาทโอวาทธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ในหลักพระธรรมวินยัย ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นะถ้าถ้าวอกเราเดินตามนั้นแล้วไม่ผิดไม่ผิดนะลูกหลานนะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเรานึกขึ้นมาได้เมื่ อ, อไหร่ก็ภาคภูมิใจแต่ในพรรษานี่ต่างองค์ต่า ง, างภาวนาของใครของเราใครจะอดอาหารยังไงกี่วันก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาแต่อดอาหารจะไปหาคุยกันนะอย่าไปหาหมั่วกันนะ ไปหาตม้มเอากะติกน้ําชาไปแล้วไปหากินจับกลุ่มกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นบอกมาอหลวงพ่อจะจัดการออพอหลวงพ่อไปอยู่กับครูบาอาจารนยะ์ไม่มีหรอกออที่จะไป อ, อจับหมู่จับกลุ่มกันตั้งกงุงกินน้ําชากาแฟกันคุยขโมงของเสียงไปมาทะเลาะวิวาทกันอีกขึ้นมาอีกในกลุ่มในหมูในคณะนั้น ไม่ได้นะยาล้งยาร้อนเหมือนกันนะถ้าม่มีถ้าไม่มีเวลาเลยจะไปต้มเด็ดขาดไปหาต้มเวลาใครพระเก่าองค์ไหนท่านไปสอนวิ ช, ชาต้มวิ ช, ชายาร้อนน่ยไปว่าองค์นั้นไปสอนวิ ช, ชาที่แวกแนวให้กับหมูพวกเพื่อนหลวงพ่อจะไล่องค์นั้นออกก่อนนะในพรรษาพรเหตุไรเพราะว่ามันสอนต่อไปมันจะเป็น เป็นผู้นําองค์ไหนเขามาก็องคนี้แหละนเอะไรเอกไปมาเ ล, เละตุ่มเปะกันทั้งวัดเพราะมีพระเก่าไม่เป็นตัวของตัวสอนไปในทางที่ไม่ดีแหวกแนวแวกกฎระเบียบว่าตัวเองฉลาดอหลวงพ่อไม่รู้ไม่เห็นตัวเองฉลาดอผลที่สุดเมื่อเขาออกไปแล้วนะเขาดูถูกตัวเองยิ่งกว่าหมาอีกเลนไปที่ไหนเขาก็ไม่เคารพนับถือเริ่อมใส โอ้ยกูบา อ, อนั่นเลยทาไมอยู่ด้วยการที่วัดป่านาคําน้อยนะไม่เป็นละไม่ท่านะ่ตั้งที่หลวงพ่อท่านสอนให้รู้จักอยู่ในศีลในธรรมพระองค์เนี้นะ่ยพาเราไปหากินต้มน้อะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เอ อ, ออกนอกลู้นอกทางเ อ, อพวกเราก็เลยมั่วไปหมดภาวนาก็ไม่ได้เป็นเรื่องเพราออะพระองค์นั้นละ่ะนั่นแหละมันเป็นประวัติเป็นหมาหัวเน่าแล้วแต่เนี่ย มันไม่ใช่ผลดีสำหรับตัวเองเพราะนั้นพระเก่านะต้องฟังในคำนี้หลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาลหลวงพ่อนี่ยศักดิ์ศรีที่เดียวล ะ, ะเรื่องการกระทาอย่างนี้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงมาพูดมากกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้พวกเราให้จํารวมให้ระวังให้เป็นพระพระเก่าให้เป็นพระที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้นาที่ดีในพระใหม่ แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําถ้าทําเข้าไปแล้วนะมันจะเป็นมูนทิมมันจะเป็นแผลสําหรับตัวเองเป็นนานเท่านานเพราะฉะนั้นก่อให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในพรรษาให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นพระที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีเท่านั้นนะแล้วเมื่อออกพรรษาแล้ ว, ลวนะผู้ที่จะอยู่ดํารงสงศาสนาต่อไป ก็ภาคภูมิใจเพราะในในรรษาแรกเราตั้งใจภาวนาเราตั้งใจท่องปฏิโมกให้ได้เราตั้งใจภาวนานึกถือเนซัชชิถึง อ, อดอาหารภาวนาบังคับใจให้ตัวเองจนเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้ภาวนาตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้คิดไปทางไหนเลยภาวนาแบบอุกฤต ในภรษาแรกเราจะภาคภูมิใจไปนานเท่านานนะพาลูกพาหลานทั้งหลายนะถ้าว่าพวกเราทําตัวไม่ดีเนะี่ยมันก็เป็นมลทินไปนะเราเลาะเลแหละเราเลาะเลยแหละอยู่ชังกระตายไปอย่างนั้นอยูไ่ไปด้วยความไม่ภาคภูมิใจอยู่ไปด้วยแบบชังกระตายไปอย่างนั้นะเป็นวันวันไปแล้วก็เป็นคารวะาไปกันนาะดไม่เป็นผลดีเอ มันเคยพระมันเคยมีเป็นข้าราชการเป็นครูเ อ, อผมมาบวชไม่ใช่บวชวัดเราหรอกบวชวัดอื่นแต่อยู่แถวๆนี่แหละพอบวชคนหนึ่งน่ะพระเก่าเขาพาต้มมามากิน เ, ออเนี่ยผลในโชดน่ะ อ, อพอเสกออกอไปแล้วก็ก็เป็นมนทินสําหรับตัวเองอยู่ตลอดไปเ อ, อมาบวชกันนะมันไม่อยู่ในหลักพระธรรมไม่ได้กูบาองไหนพาต้มมามากินเขาก็รู้กัน อ, นะ อ, อีกนะอแล้วก็ครูโรงเรียนที่ ไปนั่นกันนะะก็เป็นคนมันเป็ น, เ ป, นเป็นแผลในจิตในใจในความประพฤติของตนเองตลอดนานเท่านานเพราะฉะนั้นความชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําลงไปแล้วความชั่วนั่นแหละจะเป็นแผลในจิตในใจของพวกเรานานเท่านานเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่ไม่ดีอย่าทํานะถ้าทําให้ทําเสียสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นศีลเป็นธรรมอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นนะ สุขกายสุขใจมากกว่าสิ่งเหล่านั้นมันเพื่อความสุขนิดน่อยๆท่านเองแต่มันเป็นความทุกข์ที่ยั่งยืนยาวนานนะนึกคิดขึ้นมาเมื่อไรก็รู้สึกเสียความรู้สึกแป๊บขึ้นมาในจิตในใจนานเท่านานทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงที่มันไม่ดีอย่าทํานะถ้าทําแล้วก็เป็นนั่นเป็นแผลในใจอย่างที่ว่านะนึกคิดขึ้นมาเมื่อกี้แป๊บอย่างที่ว่านะั่นนะ เอาวันนี้ก็พูดเพียงแค่นี้แหลนะเข้าใจคงไม่มีอะไรมัง้งให้ไม่มีอะไรกับพวกคูบาเก่าแนะนํานะดูดูแลกันเรื่องอพริพภพวินัยเกี่ยวกับพัรษาก็คงไม่มีอะไรหลวงพอมองมองโดยแล้วเนี่ยเพราะว่าสัตตะกรณียะแต่จะออกนอกวัดใครออกนอกวัดออกกำแพงไม่ได้จนสว่างนะ ถ้าออกไปและสว่างนอกกําแพงพันสาขาดปรับอบัดทุกโกรดอีกต่างหากเพราะนั้นพวกเราให้รักษาแต่บินทะบาตกุมอนกันถ้าไม่สว่างยาเพึ่งออกให้มันสว่างซะก่อนดูให้มันสว่างซะก่อนดูพระผู้ใหญ่นะั่นช่วยกันดูขนาดไหนมันสว่างทาให้สว่างกเ็เขียนขึ้นไป้ายไปเลยนะห้ามพระออกนอกวัด เวลาเท่านี้เวลาเท่าไหร่ตีห้าครึ่งหรือตีห้าสีทิพหาสว่างจึงออกนอกวัดได้และก็บอกกันเป็นจิตจารลักษณะนะเพราะพระใหม่ไม่เคยชินไม่รู้วันหลักพระธรรมวินัยนตรงไหนอย่างไรพระเกานะ่าต้องช่วยกันคิดต้องช่วยกันรักษารักษาพระวินยัย พระธรมวินัยของพุทธะนะาตอนนี้ไปก็คงไม่มีอะไรนะกราบพระแล้วก็ายกย้ายกันหน้าที่นี่นะ